ศาสนาเหมือนกับน้ำคือษาสำหรับชาตล่างสือผู้ศักรัทธาซึ่งมีภานในกลายวาจาใจของพวเราใจที่พร้อมด้วยความโกรแจดเกลียดตายอยู่ภานในตัวแต่ว่าเป็นใจที่ศักรัทธจึงต้องชำระล่างเดย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 ของกาลเวลาที่เราทราบดรทราบั่วดังที่เราทราบในเวลานี้คุณต้องพ ย, ยายามชำางสิ่งที่สโกรดภายในกายวาจาใจของตนความมาสะอาดนี้แหลพาให้เกิดความทุกข์ความลำบากในพบน้อยพบไหน่ขึ้นอยู่กับ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 แต่อย่างน้อยก็ควรเชื่อผูรู้ผู้ฉลาดดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติตัวหนีนี้ก็ชื่อเป็นผู้ช่วเชว่อผูรู้ผู้ฉลาดนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมองเห็ น, นมีตาอันยืดยาวมีตานแหลมคมได้ แ, แก่ขยานคือปทุตเถ้เจ้าเป็นตน้นที่ทรงพระนามว่าโลกวิถูรู้แจ้งเห็นสิ่งโลกรู้ทุกสิ่ทุกอย่าง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 ปัจจุกทุกทุกทุกทุกทุกวุาทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุนท่นทุนทุกนนามมาทุกทุกทีกทุกทกทุกทุกทุกทุมประตูกทุกทุงเงิกทุอทุกทุกทุกทุกทุกทคกทุทีกทุกมุกทุาทนกทุกทุกทุก็ุกทุกทุกทุกทุกทนกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุนาุกยุกทุกทุกทุาทุกทุกทนกทุกทุกทุกทุกทุกทุ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 แล้วมันก็ไม่พ้นที่จะรู้ต้นเหตุรู้ลากงาเงาข้ามมุมของมันไม่ได้ได้จตใจรูต้ไหนถ้าดูให้ชัดด้วยปัญญาด้วยความจดจ่อมันก็เห็นความจริงจากสิ่งนั้นๆบรรดาอาการทั้งหลายที่มีในร่างกายของเรานี้ถ้าดูด้วยความผิวเถินดูสักแต่ว่าดูมันก็ไม่เพอเกิดปัญญานอกก็จะเกิดความลำคาญแะ่เท่านั้น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 ถ้าถึงที่แล้วใครจะไปกรอบโคยหรือแบบถามอนุทางไปละไปละก็เป็นไปตามความติดเนี่ยที่ธันว่าบุญญาปาปะไปหน้าบุคคลผู้บุญญาบาปอน่าเสียแล้น่นลกแบบนี้เองในทะละแบบตั้งใจฉลาดปัดทิ้งเป็นสิ่งที่น่าเพราะเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะ่วาดเสียวน่าเกลียดอะไรอนไม่ใช่อย่างนั้นถ้าจะได้กลัวขนทาง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 ปัญหาเรื่องความทุกข์ความลำบากที่เคยเป็นมาผูกกับปุการ ก, ก็มายุติจัดกันลงที่จุดนี้อนเดิมที่จะเป็นต่อไปข้างหน้าต่างพบงต่างขาดเกี่ยวกับจองอป่าช้าเกิดแก่เจ็บายในสถานที่ทนั้นพบนั้นพบนี่ก็หมดปัญหาลงในปัจจุบนันกิจที่บริสุทและด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องอำนาจเรื่องก็ยุติดเพียงตอนนี้และการแสดงก็ยุติเพียงตอนนี้เอาละบเจริญมาตรงนี้เราไม่ทางไป รู้รือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดมารู้แกไปยังไงแล้วก็รู้ขลังไหวลงไปขนาดไหนก็รู้ฮะเออไอตัวรู้ตัวนี้มันเป็นไตรลักษณ์หรืกเมันจะเลี่นลงไปได้อ๋อมันมันมีสิ่งที่เป็นการลักอยู่ในมันนั้นเราเราจึงพูดได้ว่ามันเป็นกรลักษได้ สิ่งที่แท้สิ่งนั่นคือสมมติทีเ่เกแม้นนิดนึงก็เป็นสมมตินั่นแหละคือใจรักที่กินไปเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเนี่ยตามอาการทาั้งจิตทั้งสายดีสายช่วยมันมีอยู่ภายในจิตท่านว่าจิตเจริญขึ้นเจริญขึ้นเนความหมายทั้งว่าจิตมันค่อยอาการทั้งจิตค่อยดีขึ้น น, น, น, น, นะมันแสดงความกระหว่างอาจากแจ้งมาในเห็นชัดโดย ล, าลําดับดับลุกผ่องใสโดยลำดับดับนี่ที่เป็นาการทาั้งจิตทั้งนั้นแต่เราต้องเดินตามนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้เพราทาอย่างนี้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 อากเลยคือจิตมันแน่วถ้าใจมันพักนี้มันแนวถ้าเราจินตนาทางด้านปัญญานี้มันก็หมุนมันละเอียดแลวออกมาที่สุดมันสุนทรภาพมันซึ้งไปทุกเนี่ยทุ่งนึงของปัญญาถ้าขาดขารมันมันมันก็เบาตอนนั้นขาดานมันช่วย